ขอความสุขความเจริญที่มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอทเวทาวิตกักรตรสืบเรื่องกันมาโดยลำดับจากนั้นก็รับสั่งเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านพระไทยของพระองค์ หลังจากพยายามกำกับควบคุมความคิดให้อยู่ในกุศลวิโตคือสึกนึกไปในเรื่องของเนคเขมวิตกอพยาบาศวิตกและอวิิงสาวิตกคือนึกแล้วก็ทําให้กเิเลสมันจางคลายไปราคาคลายไปโลภะคลายไปโทสะคลายไปความเบียดเบียนคลายไป ใจมันก็มีความสงบประนีตขึ้นไปโดยลำดับจังนั้นก็รับสั่งเล่า ว, ว่าดุก่อนวิสูตั้งหลายเราได้ปรารกความความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายแล้วมีใจตั้งมั่นมีโรมันเดียว ลักษณะเหล่านี้ท่านผู้ฟังลองสังเก ต, ตว่ามันมีเหตุอยู่ก็คือความเพียนความเพียนที่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดอยู่จนหย่อนคือว่าเอาจริมพ์จังต่อเนื่องบางครั้งทรงใช้คำว่าอารัฐวิริโยวิหรติคืออยู่ด้วยความเพีย้ยน และสติที่ทำหน้าที่ระลึกถึงกุศลมิตกก็มีความตั้งมั่นขึ้นก็มีความผองสายเกิดขึ้นภายนในจิตใจก็ไม่เลื่อยเลื่องไม่หลงลืมไม่เผลอดเลไม่พลังพลาดกายก็สงบหมายความมาสงบจากบาปสงบจากกุศล ไม่มีการทำทุจริตไม่มีการพูดในทางทุจริตแล้วพาถึงจุดหนึ่งจิตใจก็จะตั้งมัน่นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยก็เรียกเป็นสมาธิในที่นี้เรียกว่าสมาฮิตโตคือจิตมันตั้งมัน่นแล้วก็เดินไปถึงจุดหนึ่งก็งมีอารมณ์เบบนั่นเดียวคือเรียกว่าเอกคตา เอกรัตษที่จริงก็คือสมาธินั่นแหละแล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายเรานั้นแหละสงัดจากกามสงัดจากอากุศ ล, ลธรรมบรรลุปรมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ทีนี้เป็นเป็นสำนวนที่รับสั่งเขาเรียกว่าเป็น นิปริยายเทศนาหมายความว่าถ้าทวงอธิบายสภาพจิตในระดับนี้แล้วก็คืออย่างนี้ทั้งนั้นแหละหมายความว่าใครปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้สัมผัสอย่างที่พรุทธเจ้าได้สัมผัสก็แสดงว่ายังไม่ใช่ล้วก็เกิดเป็นเป็นรูปองค์ฉานขิงก็สรุปว่สิ่งที่จะสัดไปก็คือสัดจากกรม สงัดจากอากุศลธรรมก็หมายความว่าสงัดจากนิวรณ์แตนิวรณทั้งห้าประการการในที่นี้ก็คือกามฉันท์ถังยึดตีเหนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่นะ่าปรารถนาน่าผอใจด้วยกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่แล้วก็สงบจากพยาบาท สงบจากควา ม, มง่วงเหงาหานนอนซึ่งซึ่งน้งอยเงาหดผูกเคลิบเคลิ้มจุดชื่อชาเย็นเหงยหน่ายทอถอยเราถ้งสิ่งแล้วก็สงบจากความพุ่งสั้นจนถึ ง, ถงระดับคัญที่เรียกว่าอุทาจากักกุกกุจักแต่ถึงจุดหนึ่งก็สงบจากวิชิกิสาคือความเครื่อบแครงสงสัย เพราะในแง่ของความเป็นจริงในสภาพจิตที่เราไปเพ่งมองที่จิตซึ่งมันจางคลายไปจากราคะไปจากโลภะไปจากโทสะไปจากความเบียดเบียนเนี่ยเราก็เห็นชัดนะว่าธรรมะเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงไว้มีแล้วจริงๆเพราะสามารถขัดเกลาบบาปอากุศลออกไปจากจิตได้แล้วก็จิตมันก็จะออกไปจาก แรงดึงดูดแรงกำกับควบคุมของกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นมนความสงบปรากฏอยู่ภาในจิตก็เป็นเรื่องที่ใครปฏิบัติถึงก็คนนั้นก็สัมผัสคนนั้นก็ได้บรรลุเพราะในที่นี้ก็ซ้ายคำคำตัว น, นี้จะจะเหมือนกันทุกแข่งหรือสงบจากกามสงัดจากอากุศลธรรม เดบัรูุปฐมชานทีนี้ในปฐมฌานเนี่ยมอีองค์คือองค์เ้าเรียกว่ากุศลธรรมที่ที่ปรากฏจจิตนั้นมีอยู่ห้าข้อแต่ละข้อจะทำหน้าที่สงบนิวรณสงบในลักษณะแบบสยบคือหมายความว่ามีสารพิษอยู่ห้าตัวก็เอาไม้ไปกดที่ศีรษะไว้หรืมอมือไปจับกดที่ศีรษะไว้ งูมัยังไม่ตายนะะ ย, ยังดิ้นได้แล้วก็จะจับไม่มั่นคงแกก็แวงกัดเราได้ด้วยตอนในที่เนี้ยท่านเรียกว่าวิคัมพนาอาหารคือละโดยการกดเอาไว้ทับเอาไว้สยบเอาไว้พอนมิโตกพอเกิดขึ้นเนี่ยแกก็ทําหน้าที่สงบหรือสยบปุ๊งงกีนมิทะถืองวงเงาห่างนอนซึ่งซึ้ ง, งน้อยเงา วิจญาณ์ก็เกิดขึ้นแกก็ทำหน้าที่สงบความคลืบแคลงสงสัยปิติพอเกิดขึ้นมันก็ทําหน้าที่สงบความอาฆาตพยาบาทแล้วก็สุขพอเกิดขึ้นมันก็ไปยุติสภาพจิตมันฟุ้งฟุ้งสั้นตลอดถึงําคาร์แต่롱คานที่จริงมันสงบมาจากปิติแล้ว พอมาถึงจุดหนึ่งก็คือเอากากตาคือจิตที่เป็นสมาธิจิตมันก็อยู่กับอารมณ์เดียวพออารมณ์เดียวมันก็ไม่คิดไปเรื่องเพศเพราะว่าไปสลายไปสลายความคิดตรงนั้นอยู่แล้วและจากนั้นก็สงสดงถึงในช่วงต่อไปว่าบรรลุทุติยฌ า, านมีความพองสายแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิวิตกวิจารในสงบไปลักษณะเด่นที่ปรากฏภายในจิตก็คือปีติสุขกับเอกคตาหรือสมาธิเราสะรุ ป, ปรความคิดตึกนึกทั้งหลายเนี่ยมันหายไปยิ่งไปก็ดื่มด่ำอยู่กับปีติสุขกับเอกคตาริานอธิบายว่าเป็นความสุขที่เด่นมาก เป็นความสุขที่หวานใจยิ่งนักคือหมายความว่าโดยการได้สัมผัสอิทธารมณ์อย่างอื่นมันไม่มีทางที่จะเกิดอย่างนั้นได้บิติลักษณะนั้นสุขลักษณะนั้นสงบลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เกิดด้วยกำลัของฌานนั่นตัวนี้ถ้าเรียกว่าทุติยชาตนก็เป็นชานที่สอง จะต้องฟังได้ปสังเกตนะว่าท่านในพระบาลีพระสุตตันตะบิฎกหรือแม้แต่พระวิ น, นัยปิฎกจะพูดถึงฌานสี่แต่ว่าในวิธรรมปิฎกจะพูดถึงฌานห้าที่จริงก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่ยนะเพราะว่าคือถ้าท่านเห็นว่านิวรณห้าแล้วก็องค์ฌานก็ห้าก็เลยก็แบ่งฌานเป็นห้าแต่ที่จริงวิโตกกวิจารณเนะี่ยมันมันเป็น ขณะที่ปิดกันไปเลยวิจกวิจกกันไดวิจารกันนั้นเพราะนั้นพุทธิจิตจรก็เกิดดับด้วยกันเห็นไหมว่าพอถึงทุติยชานทั้งวิตกวิจารณก็ต้องดับเพราะไม่รู้ไม่รู้วิจาร์มาจากอะไรอะ่ะทําไมมิตกกันเพราะวิจกเ น, นี่ยมั น, ม, นมันเหมือนกับอะไรคือคล้ายๆกับ แมลงพึ่งที่โฉบลงบนเกสรดอกไม้แล้วก็ดูดดูดดื่ดดดมมนน้ำหอมของดอกไม้ตอนตอนโฉบลงไปเนี่ยมันก็เป็นวิจดูดื่มมันก็กลายเป็นวิจารณ์แต่ตอนนี้ก็อย่างง่ายๆดูว่าเหมือนเราตีตะขังเนี่ยตั้งตั้งนั่นแหละคือวิกตกโดยจากนั้นไปที่หัหวหัวอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องวิาจารณ์เพราะจริงแล้วพวกนี้มันเกิดจากวิจัน แล้วก็ตามปกติก็จะเรียกควบเรียกควบกันให้เราสังเกตว่าตอนพระสู่ที่พระเจ้ารับสั่งเล่าเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดถึงวิจารณ์แต่ ว, ว่าการที่ทรงตรุกนึกอยู่ด้วยเนคขม้าวิตกอภยาบาศวิตกกวิงสาวิตกนั่นก็คือวิจารณ์อยู่แล้วโดยการไตรจองอยู่แล้วเพราะพูดหรือไม่พูดในสภาพจิตเนี่ยมันมันจะกระจายหรือจะเห็นได้ชัดว่ากระจาย เพราะจากนั้นปีติมันก็ดับแล้วก็ในที่สุดก็ดยังเหลือแต่สุขที่เกิดแต่สมาธิหรือสุขกับเอกขตาต่อเข้าสู่เรียกว่าปฏิายานเพราะจากนั้นไปแม้แต่สุขเองก็ดับเหลือแต่อุเบคากับเอกขตาเพราะในอุเบขาเนี่ย มันเยอะนะในในในพระพุทธศาสนานี่ก็มีอยู่ตั้งสิบระดับด้วยกันเป็นลักษณะของจิตที่ยุติอย่างน้อยกิเลสเนี่ยไม่ฟูกขึ้นเช่นเรียกว่าลังกูุเบาขาอุบเบขาในอารมณ์หเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องยินดองรังแขงเหนียวนึกถึกนึ ก, น ก, นกถึงอารมณ์เนี่ย ถ้าทำใจไม่ให้มีทั้งยินดียินร้ายได้ก็เป็นอุเบกขาแต่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรไม่ใช่ว่าอุเบกขาเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรอุเบกขาเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรเ <c oughs> ขาเรียกว่ญญาอุเบกขาอุเบกสาอุเบกขาโง่อุเบกขาในที่นี้เราต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเราไม่ยินดียินร้าย วันนี้ก็พยายามพูดกับพระสังฆติการเดี๋ยวรวมพระสังฆติการอย่างต่อเนื่องกันมานะฮะ ก, ก็ก็จัดเป็นชุดๆวันนี้มันไปพูดราวละสองชั่วโมงตอนปลายนี่จะพูดกับท่านว่าท่านก้าวมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าท่านละกิเลสสนิกายไม่ได้ ท่านยังรู้สึกแบ่งแยกเป็นธรรมยุทธ์เป็นมานิกายเป็นมาหายานเป็นยีนนิกายอานัมนิกายเป็นพระราวพระยนระยนพระเขมรพระอะไร ต, ต่างๆอยู่เลยคือแสดงว่าใจท่านไม่ไปถึงไหนหรอกแม้ท่านจะนั่งสมาชเป็นอาจารย์ทางสมาชิและอย่าลืมว่าเราอกตกระดับอินีสีสังวรอิีสีสังวรสำหรับพระแล้วมันเป็นศีล ท่านเราสุกพระกอเนี่ยเป็นธรรมยุทธ์พอได้เห็นพระเกาะพระธรรมยุทธ้วยกันก็จะเกิดยินดีพอเจอมานิกายเจอจีนนิการนามนิกา ย, นนาน ก, ายก็ยินร้ายมานิการก็เหมือนกันพอเจอพวกเดียวกันก็ยินดีพอเจอต่างนิกายก็ยินร้ายก็แสดงว่าจิตไม่ยินดียินร้ายถ้ายินดีมันก็กลายเป็นอภิษฐายินร้ายมันก็กลายเป็นโทม น, นัสก็คีรีเด้วยกัน ยิ่งเดกันทั้งคู่จะเห็นว่าพอตรึกนึกมันก็ตกอยู่ที่อกุศลมิตกหมายความ่าออกมาในกามมิตกกลับออกมาในแนวพยาบาทวิตกซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นการปรุงแต่งเป็นการสร้างขึ้นมาก็พยายามพูดพยายามคุยนะฮะพยายามพูดพยายามคุยกันไป เขาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เราก็พยายามพึดตัวเองแต่จนจนเรามีความรู้สึกอ่ะคือเจอพระเรากราบได้สนิทจะเป็นธรรยุทธ์เป็นมานิกายเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่านแก่ท่นสาวกวาเราเราก็กราบท่านใดนท่านสาน้อยกว่าเราเราก็ระยกมือไหวมาเราก็ไหวไปแล้วก็ทำโดยไม่มีความรู้สึกแปลกแยก นิกายผมมาถึงท่าลังกาพระพมา่าอะไรแต่เราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแหะแล้วก็ทำใจเมืองกันเราไหว้พระพุทธรูปเนี่ยแล้วไม่ติดใจว่าพระขลังหรือไม่ขลังต้องไปไหว้หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นที่เมืองนั้นเมืองนี้เมืองโน้นมาไหมนือ ค, คิดเลยถ้าไปในเมืองนั้นเรามีเวลาเราก็ไปไหว้ แต่ว่าจะมุ่งตรงไปไหว้พระที่นั้นที่นี้ที่โน้นเนี่ยเราเรียกว่าพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปะเราไม่ได้ไหว้สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นรูปเคารพแต่เราไหว้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็าที่ไหนก็ได้มีพระพุทธปฏิมาหรือไม่ก็ได้เลยําไปเป็นเรื่องที่ต้องต้องพยายามฝึกใจตัวเองไปนั่งแบ่งแยกแม้แพระพุทธรูป ว่าการหนักนะฮะ แ, แสดงว่าไปยังไม่ถึงไหนเลยเพราะตรงนี้เราจะจะเห็นว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมาถึงยตุตฌานยะตุตฌานเนี่ยที่จริงตัวอุเบกขาเนี่ยเป็นลักษณะปัญญานะปัญญาคือเพ่งดูนามรูป แล้วก็จนวางเฉยเป็นเครืยอสังขารูเปเบกขายานมันเดินไปจนถึงจุดหนึ่งสังขารูเปเบกขายานกูวางเฉยในสังขารทั้งหลายพวกนี้ต้องผ่านไปปเสนายานไปก่อนนะถึงจุดหนึ่งมันเกิด ว, วางเฉยในสังขารทั้งหลายว่ารับสั่งเล่าว่าเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุเพนวาสานติยาตอนนี้ก็จะรับสั่งเล่าในรูปของพระญาณสามที่ท่านลองสังเกตนะฮะตอนนี้เราก็ใกล้ครับวันสานาหามุชานในวันสานาหามุชาตอนท้ายของ ก็รมาจากกรรมรตัณสูตรไม่ถึงก็ท้ายเดียนะฮะที่ตอนอธิบายลักษณะการสัสรู้เนี่ยทรงอธิบายว่าจากกุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้สดับมาเลยในการก่อนว่านี่ทุกข์มีเหตุเกิดของทุกข์นี่ความรดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรดับทุกข์แลยานก็เกิดผุดขึ้นอีกอยาณหนึ่ง เขาเรียกว่ากิจยานไปรู้ภาระหน้าที่หรือ ก, กิจที่เราจะต้องทำต่ออริยสัจแต่ละขอ้อหรือว่าทุกคนกำหนดรู้ส ม, มุทยควรละนิโรธคนทำให้แจ้งมากควรเจริญแล้วก็เกิดยานผุดขึ้นาหมกยานมีลักษณะผุดขึ้นนะฮะท่ามกลางสภาพกิที่สงบมันใช้งานได้เขาเรียกว่ากรรมนิยะส่งนใช้กรรมนิกรรมนิยะอยู่บ่อยนะกรรมนิยะหมายความว่าใช้งานได้ อยเส่นเราฝึกปลื้มือเราคนจนจนทำนิชานา็เรียกว่ า, าใช้งานได้แล้ะทํางานได้อาจารย์ก็ปล่อยให้ทํางานเราฝึกทําอะไรก็ตามนะฮะก็เรียกว่าใช้งานได้ละเราก็ทําหรือแม้แต่เราจะขับรถขับอะไรก็อ๋อใช้ได้แล้วก็ขับวันจิตวันจิตจะมีลักษณะยอย่างเงี้ยตอนกับตายานเนี่ยรู้ว่าเออทุก ทุกควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้วสมุดไถ่สมุดไถ่ควรละเราละแล้วนิโรธนิโรธควรทำให้แจ้งเราด้ทำให้แจ้งแล้วมักควรเจริญมักมักควรเจริญเราได้เจริญแล้วหมายความว่าเกิดยานขึ้นมายานละหนึ่งครั้งในอริยสัตวทั้งสี่คนสามสี่ก็คือสิบสอง เขาเรียกว่าทาวาทัสาการคือเกิดอาการ12ครั้งภายในจิตแต่จิตเราก็เปลี่ยนแปลงกันนะเราจะเปลี่ยนแปลงไปจนถึงจุดหนึ่งก็คือหมดกิเลสแต่ว่าการอธิบายอย่างนี้จะอธิบายน้อยอธิบายในแนวยานสามนี่จะเยอะเพราะยาณสามนี่มันเป็น การตอบคําถามข้อข้อใจสงสัยที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ตั้งแต่โบราณมาจนเดือนนี้ทีนี้คนยังสงสัยยังวุ่นอยู่เรื่องเหล่านี้ยท่านฟังลองสังเกตนะว่าคําถามในวันจันทร์เนี่ยคือมาเองไงรู้สึกชื่นชมคนที่ถามเวาวันจันท์ประการแรกก็คือผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แล้วก็ถามค่อนข้างเป็นน้ำเป็นเนื้อแต่มันจะอยู่ในแวทวงตรงนี้แหละมันจะเวทแวทวงของกรรมกับเรื่องสางสารวัตรกับสาสนพิจีตรมันจะอยู่ในแวทวงตรงนี้เยอะัอนที่จริงตรงนี้ถ้าเราใช้ความเชื่อตามที่พระเจ้าทรงแสดงคือเชื่อในการตัดรู้ของโปรง่งเพราะสิ่งทั้งหมดเนี่ย มันคนรู้จริงต้องต้องตรวจสอบเร็กวกต้องรู้ด้วยาเนนะ่ยแล้วผ่านกระบวนการอ ร, ริยสัจมาก็หมายความว่ายานเนี่ยมันเกิดขึ้น่อรู้วอริยสัจห ร, รู้ยานเนี่ยมันเกิดรู้วในอริยสัจแต่ระดับนี้ที่จริงมันมันเป็นขนาที่เร็วมากพูดไปก็อย่างนั้นแนหะก็เอาเอ า, เอาไม่ทัน เพราะในการระลึกชาติก่อนในระลึกย้อนไปได้เรื่อยๆก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะตัวนี้ก็รับสั่งว่ามันเป็นในเวลาปฐมยาแมงรัตรีรับสั่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายวิชาที่หนึ่งนี้แลเราบรรลุแล้วในปฐมยาแมงรัตรีเรากำจัดอวิชชาเส็จแล้ว ทีนี้โลกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันมันมีอยู่สองด้านการกำจัดความมืดได้เนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวกำจัดความมืดละ่ะเราเองเรากำจัดไม่ได้นะฮะความมืดลองสังเกตเราต้องสร้างแสงสว่างขึ้นมาจะโดยวิธีใดกระทำนตัวยานเนี่ยตัวยานเนี่ยพอถึงยุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาญานะแล้วก็สัมมาวิมุต คนตัวอย่างตรงนี้คือเรียกอาจจะเรียกวิชาอาจจะเรียกวัญญาอาจจะเรียกว่าญาณอาจจะเรียกว่าแสงสว่างอาจจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้มเรียกอะไเยอะเลยนะในในธรรมจักกวตันสูตรเนี่ยในตอนต้นทรงใช้กรราจักขุกรณียานกรณีใช้คำสองคำก่อนตัวนี้ก็คือสมัยญาณเหมือนกันแต่ว่าเรียกในช่วงที่ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวกระับสั่งว่า อุปสมายะคือกิเลสมันสนุกแล้วอภิญญาญาก็คือตัวญาณเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมประดิษขึ้นกว่าเดิมแสงสว่างขยายกว้างออกไปกว่าเดิมพอจนถึงจุดหนึ่งก็สัมโอทายะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาภิญญาญาก็สัมโอทายะเนี่ยที่จริงเป็นความเข้มข้นที่ต่างกันของกําลังแห่งญาณที่บังเกิดขึ้นทําหน้าที่ขจัดความมืดเกลวิชาออกไปจากจิต พอจนถึงจุดหนึ่งก็คือสมบทูทายะก็คือศัตรูพอศัตรูกิเลส ก, ก็ดับ ก, ก็คือนิพพานนิพพานตรงนี้บางทีเ ร, เรียกว่าวิมุตต์บางทีเรียกสัมมาวิมุตต์โดยเห็นว่าในในธรรมจักรปัญญาสูทรงเรียกทั้งนิโรธทั้งนิพพานนะเราเรียกว่านิโรธบางนิพพานบ้างจะริญาณนี่ยจะเรียกเยอะเรียกประมาณสักตัวนั้นตัวนั้นห้านะหกเจ็ด เจ็ดนะคำแปดเก้านะฮะเก้าคำดยกันทั้งหมดก็คือสมยัยญาณสมัยญาณด้วยกันแต่อย่าลือ ม, มาชื่อเหล่านี้ที่จริงเป็นสมมุตินะฮะชื่อนึ้มสมมุติออกก็เขามีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะศัตรู้ระพุเจ้าศัรูพระเจ้าก็ส่งบัญญัติเรียกชื่อมันอย่างนี้ แต่พอไปในที่บางแห่งปรากฏว่าสื่อสารกับชาวบ้านก็ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่ได้ใจหรื้เขา้ข า, ขาใจหรือคำหล่อนั้นฟันพระองค์ก็เปลี่ยนคําแล้วก็ทรงนิยามความหมายของคำหล่านั้นใหม่แต่ว่าแนวตัวนี้จะจะเป็นรูปนิพนปริยายคือหมายความจะลงตัวอย่างนี้ถเถกะค่ะจะแสดงอย่างนี้หมายความว่าวิชาเกิดขึ้นในวิชาดับไป แต่ว่าทรงรับสั่งว่าเรากำจัดวิชาเสียแล้วถ้าถาม่ากำจัดด้วยคำจัดโดวยวิชาหมายความวิชาจึงเกิดบังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงมาเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าอาสวัคยานแปลว่าตรงนี้ตรงนี้พูดเฉพาะเฉพาะอุปนวิวสานตยานนะฮะ เราตั้งใจว่าจะเรียกคําเลยกันเพราะว่าพระบทติี่ยมันถูกกวิชาปิดไว้ทั้งหมดแหะสังสารวัฏยามนาเนี่ยมันถูกอวิชาปิดบังเอาไว้ทีนี้คนเราพอพอดบอาบกวิชาได้เนี่ยก็จะไม่ใช้เหตุผลในชาติก่อนมาไปลำเอียงอคติเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุอคติ เราะการรลึกชาติได้เนี่ยกิเลสต้องสงบนะถ้าคนเกิดรลึกชาติได้แล้วกิเลสยังอยู่นี่ยุ่งตายเลยนะครับโลกมันจะป่วนหมดเลยอย่างเราเคยมีขาวหนึ่งเนี่ยที่มีเอาดังกันมากคราวนั้นนะแต่เราก็ไม่อยากพูดคือในเวทดวงของพระเนี่ยบางทีเขาก็เบื่อที่จะพูดเพราะว่าไปขัดคอกระยม เราพูดปรมก็หาว่าอุดรลาดลิศยากันอนะไรก็พูดยากเขาก็หาเรื่องให้ชาวบ้านทำบาปก็ปล่อยเขาไปอยากจะเชื่ออย่างนั้นก็สมัครใจจะเชื่ออย่างนั้นก็เป็นเวลานุเวยก็อาจจะก่อการทำเวรกันมามีคนคนหนึ่งนี่เธออ้างว่าเธอร ล, ลึกษาตาิมาได้รับคําบอกเล่าไม่ใช่จากคนนั้นแต่ว่าจากคนการศึก บอกว่าคนเนี้ยแต่จะถูกอ้างว่าชาติก่อนเนี่ยเกิดเป็นแม่เขาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูทอดทิ้งเขาผลต้องขาแม่จะต้องชดใช้แต่วพาเขาก็เลือกเก่งนะฮะคือสืบประวัติเบื้องหลังคนมาก่อนคนที่ถูกถูกูถเป็นแมน่จะเป็นเศรษฐีนีแล้วส่วนให ญ, จใหญ่จะไม่มีลูกส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีลูก แล้วก็วัยเขาก็เหมาะสมที่จะจะจะเป็นแมนะ่ของพระรูปนั้นแต่คนไม่เคยถูกคนเรียกแม่นะฮะพอเขาเรียกแม่ขึ้นมาก็ใจก็ไปเยอะแล้วที่ลักษณะเหล่านี้มันแปลกที่มันเคยแพร่หลายในสังคมของเด็กแต่มาก็เคยเจอคำถามหลายครั้งบอกโอ้โ oh, หมันวิปริตไปเยอะมาก เขาบอกว่าแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือชาติก่อนเป็นหนี้ของลูกเป็นหนี้ลูกมาเพราะาบ่ า, บ า, บาจะต้องเกิดมาเพื่อใช้หนี้ลูกวเวลเวลาตอบขาวแต่ละทีมันต้องอบรมใชเยอะเลยบอกว่าทำไมมันวิปริตอย่างนี้เด็กสมัยเนี้ไม่ไปคิดกันมาได้ไงกือตัวเองมาใส่ขันแน่เกิด มันไม่ใช่แม่มาเกิดรอเพื่อจะใช้นี่ลูกแล้วเด็กเกก็กลับคิดเพราะงั้นหลักจา ก, ากหลกักตวง น, นี้ที่เราไปพบมาบ่อยๆแล้วก็ตุ้เด็กก็ได้คิดแต่ตั้งคำถามไม่เธอคิดแล้วก็ตั้งบ่อยนะฮะตั้งบ่อยเพราะว่าวุฒิภาวะเด็กก็ใกล้เขียงกันบอกให้พวกหนูลองคิดดูนะ พ่อแม่เขแต่งงานกันแล้วเขาไม่มีลูกเนี่ยเขาอยู่กันได้ไหมเราถ้าไม่มีพ่อแม่เนี่ยเราจะเกิดมาเป็นคนได้ไหมเราจะเกิดมาได้ไหมแล้วก็สามถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเรามีสิทธิ์เกิดเป็นคนได้ไหมเแี๋วถ้าเด็กกันตัวเล็กหน่อยแถวมสามมสองเราก็แถมกลยไปข้อหนึ่งบอกว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นแมวเนี่ยหนูมีสิทธิ์เป็นคนได้ไหม เพื่อหักล้างความคิดเดิมขอเถอพี่ว่าพ่อแม่ในชาติก่อนเนี่ยก็เป็นคนใช้เขามาเป็นหนี้เป็นหนี้เขาพ่อแม่ก็ต้องเกิดมารับใช้เขาเพื่อเป็นหนี้พอเมื่อพ่อแม่มองมองมองพ่อแม่เป็นลูกหนี้แล้วก็เลยก็ไม่ไม่มีบุญมีคุณอะไรกัน แตกลายเป็นรูปบังเกิดกล่าบอันต ร, รายนะฮะความคิดอย่างนี้อันต ร, รายมากๆเลยคือมาเป็นห่วงเป็นห่วงวงการศาึกษาแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยวงการศึกษาเนี่ยหรือเขานิมนต์ไปเรียกว่าตั้งหลายชุดมากๆไปที่ปรึกษาวงการศึกษาสมัยนี้ไม่เคยนิมนต์ แล้วกรรมาธิการศ า, าสนาศิละปะวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยเป็นแต่ว่าตั้งแต่นายเด่นโตมีนาเป็นประธานกรรมาการเป็นต้นมาที่จริงเขาเขาก็ลงนามแต่งตั้งมานะฮะจากจากแคเดิมแต่ว่าไม่เคยมีการประชุมเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เรนซาจะไดยว่าถ้าเราแก้ปัญหาสินรมไม่ได้เนี่ยแ ก, ยยก้ปัญหายังอยื่มนก็ป่วยการนะยังเนี้ยอย่างในส ม, มัยบอนเนี่ยแข่งบอนโลกเนี่ยมันก็เลยเปิดเปลงไปหายไปเลยเด็กขนาดเป็นนักษาพิศวะปีสีนะฮะไปร้นร้านทองเพื่อเอาเงินไปใช้หนี้ค่าเล่นบอล แล้วต่อไปคอยดูนะะจะมีข่าวเด็กกระโดดตึกตายฆ่าตัวตายอะไรต่ออะไรโดนซ้อมกันอะไรจะตามมาอีกเยอะเลยเซตบอลเนี่ยทีนี้ถ้าเราติดอาวุธคือปัญญาสติปัญญาให้กเด็กเด็กก็จะมีวินัยในตัวเองก็จะคิดเองเราไปตามกับควบคุมความคิดเธอไม่ได้หรอกเราจะให้เธอคิดเองเธอตัดสินใจเอง แล้วก็มองเห็นบาป บ, บุญคุณโทษได้เองตอนความเชื่อในเรื่องในเรื่องสังสารวัฏเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสงคัญเพราะจะเปนเนตให้เราต้องการเกิดดีแล้วไม่ต้องการเกิดในที่ที่ไม่ดีทีนี้เพราะเพราะว่าแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าไม่ประมาทมีความเพียรแล้วก็ส่งตนไปอยู่ฉะนั้นไอ้ น, นี้คือหลัก แลัจากนั้นข้อความเดิมมก็จะกลับมาเพราะว่าเราจะลืมว่าพระยานนี้มันผูกเป็นคราวๆก็เริ่มเริ่มตั้งคำถามที่จะย้อนเออสัตว์โลกนี่ทำไมมันแตกต่างกันหนะารูปร่างหน้าตาสถานที่เกิด อ, อุอชีภาวะสติปัญญาเหตุผลระบบการคิดอ่านและอะไรทำไมมันต่างกันวันถึงจุดหนึ่งเนี่ยรับสั่งว่าเรานั้นเมื่อจิต เป็นสมาธิบริสุทธิ์ของแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลตเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานดังนั้นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเรานั้นจึงโน้มน้อมจิตตั้งคำถามเนะี่ยแล้วทำไมคนคนเราเกิดมาแลวทํากันเขาเรียกว่าจิตถามจิตนะจิตมันจะถามจิตแล้วจิตมันจะตอบเพราะจิตมันสงบลึกจิตเยตอบมันจะมีคาตอบคุกิดไหม หรือตังฟังลองสังเกตว่าบางครั้งบางคราวที่เราบรรยายอะไรเนี่ยนะมันก็ไปกันมันเรื่อยไปได้เรื่อยเส่สมมุติว่านั่งหลับตาก็อยายบันบวดเมื่อยมา ก, ก น, นะนือเจะพูดได้สี่ห้าชั่วโมงพูดได้เฉยๆพูดไปธรรมดาทํเมาส์ก็พูดขึ้นมาเองอนะ่ะแล้วบางทีมันนานนึกเกินแล้วนะเรื่องตรงนี้พอเขาถามเนี่ยมันขึ้นมา แต่ถามมาความรู้ตรงนี้เรารู้เมื่อไรเรารู้สมัยเป็นเด็กๆบางทีเราเดินไปเจอเอาตามต้นไม้ะอะไรต่างๆมันก็สะสมอยู่ภายในใจเวลาไม่มีอะไรมันกระตุ้นแคร์แคร์กระดมไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอมีคำถามขึ้นมามันไปกระตุ้นตรงนั้นขึ้นมาเพราะประจิตมันถามอ่ะจิตมันถามท่ามกลางสภาพจิตที่เป็นใช้งานได้อย่างนี้ มันก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมคนนี้แตกต่างกันล่ะก็ในสุดก็เห็นว่าเห็นสัตว์ที่กำลังจุตินะกำลังอุปบัติเร็วประณีตผิวพธุ์ดีผิวพันณสามได้ดีตกยากโดยที่ไปจากสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์แล้วก็ทำให้รู้ชัดว่า ที่คนมาออกมาในด้านไม่ดีเนี่ยเพราะว่ากายทุจริตวิจิทุจริตมนุษย์ทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิจิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิจิเมื่อตายไปแล้วยกเข้าถึงทุกติบินิบาตในรกอันนี้คือสูตรนะสูตรเลยหมายความว่าเป็นนิปรยายพระพุทธเจ้ารับสั่งอธิบายนิเทศของ ที่ไปจักสุก็ดีนิเทศของจูตูปาตยานก็ดี<ม>เหมือนกันทุกคำเพราะเรียกว่าพระสารีบุตรก็เทเหมือนใครก็เทศเหมือนกันเหมือนกันเนะี่ยมันก็ไม่รู้ไม่รู้จะว่ายังไงคล้ายๆกับอาหารคล้ายๆกัอะไรนีสูตรอย่างเดียวกันนี่แหละนะมันก็อยู่เทคนิคในการปรุงตรงนี้คือคือคือทางอไป ระว่างเราสังเกตุาทางอบายนะั่นคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วปฏิเตียนพระเรเจ้าก็คือวจีทุจริตมิจฉาทิฏฐิก็คือมโนทุจริตยึดถือการกระทําดยอำนาจมิจฉาทิฏฐิก็คือมโนทุจริตเราลองว่ามันก็มาจากกายวาจาใจไม่ได้มาจากไหนแล้ไม่จากกายวาจาใจเวลาท่านผู้ฟังนึกคมนึกได้นะมาเคยบรรยายวิทียงความเป็นมนุษย์ ทีพลเอกเสรีภุกมานกับดรรัชนีพรภุญญาพรปุกมานทําเผยแพร่นะฮะตรงนี้อันนี้คือทางสวรรค์แล้วถ้าปรียเนี่ยมันก็คือทางทางภูมโลกแล้วก็ทางนิพพานด้วยนะฮะในในกุศลกบฏเนี่ยแต่อยู่ในความเข้มขน้นผู้นี้ก็เหมือนกันมันอยู่ที่ความหยาบ ก, กลางละเอียดเพราะหยาบมันก็นู่นแหละ น, นรกเอเวจีไปเลย กนะลางมันก็อาจจะเป็นทุกข์ในอีระดับเนี่ยแต่ถ้าอากุศลนี้มันละเอียดขึ้น ค, คือมันไม่แรงเกินไปเพราะการที่จะเกิดมันเป็นมนุษย์ก็มีได้แต่ว่าไม่ค่อยปกติอะไรไะท่้หลาหรอกทีนี้จากนั้นก็ทรงเห็นว่ากระพัที่ประกอบสุจริต ทางกายวาจาใจเนี่ยไม่ตีเตียนพระ เ, เจ้าเป็นสมาธิิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสมาธิเมื่อตายไปเขาถึงสุกติโลกสวรรค์ยะเห็นสัตว์ตัวเนี้ยที่มีความแตกต่างกันไป เ, เพราะกรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกที่สูงแสดงโดยสรุปว่ากังสเทปิภัจจิตย์ะดีดังยินนปณิจตายากกรรมเป็นตัวจําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณิจต่างกันในสุดอวิชาก็ ถูกกระจัดออกไปก็ทําให้พระองค์ชัดเจนหมดเรื่องเหล่านี้หมายความว่าใครถามเมื่อไหร่ก็ตอบเมื่อนั้นแต่มันตอบอยู่บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องมันทั้งหมดมันซ้าซากมันรู้มันก็ตกนรลกซ้าซากขึ้นสวรรค์ซ้ำซากมีภูมาโลกซ้าซากมันก็อย่างนี้นะแล้วก็สูตรมันก็สูตรเดิมถามเท่าไหร่มันก็จะเขตอบอย่างนั้นนะพวกนี้มันเป็นนิปริยาย มันไม่ใช่ว่าโดยในญาตใดในญาติหนึ่งไม่ใช่พันนี้ลงตัวเลยเป็นทางโลกสวรรค์ ล, ลงตัวเลยวันที่สมใช้คำว่าหน่วงเหนียวไปสู่นรกยกขึ้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์บุญมันยกขึ้นไปนรกมันหน่วงเหนียวลงก็ตุกลงะกระตุกล ง, นะก ร, กลงราคาก็บพบภูมิเนี่ยมันต่ําลงภูมจิตมันต่ำนะพระพุทธอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะะ แล้วก็เป็นนิร ะ, ยะโยคของนะไม่ใช่โลกมนุษย์หลัจากนั้นก็รับสั่งว่าวิชาที่สองนี่แหละเราบรรลุแล้วในมัติมายาเมงรัตสีเรากำจัดวิชาเสียแล้ววิชาจะมาเกิดขึ้นเรากำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจะมาเกิดขึ้นแล้วพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเป็นเครื่องผากิเลสส่งใต้ต้นไปอยู่อย่างนี้นี่ก็คือ เขาเรียกว่านิเทศนิเทศคือบทขยายให้บทขยายของวัตถุมิจฉาเนี่ยมันไม่ใช่ของของของบุเพนวรสัญติยานกับจุตูปปาติยานไอตัวจุตูปปาติยานเขาเรียกอุเทศแล้วก็บทขยายว่าลักษณะเป็นยังไงล่ะที่เรียกว่าบุเพนวสาญติยานเขาเรียกว่านิเทศกันมันกอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จก็สรุปว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะเขเรียกอะไรล่ะ ทางเตียนเวียนลงนรกทางรบวกขึ้นสวรรค์นี่นี่ก็เป็นเป็นหลัก ท, ที่ควรจะสังเกตด้วก็อย่างที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าเวลานี้เรากำลังดำเนินการจะสร้างที่ทำการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่ในที่ดินของทรัพย์สินส่วนประมากษัตริย์ไร้กว่า ไปที่ทำการนะไปที่ทำงานแต่ที่ที่เป็นสวนป่าเนี่ยเราก็ไปขอเช่าจากมูลนิธิมังกรตีละลายก็กำลังดำเนินการอี่เหมือนกันที่จริงก็ช่ามานานแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ตกลงเสินสัญญาอะไรกันเป็นกิจลักษณะเลยก็ไม่กล้าทำอะไรลงไปก็มีแต่ปลูกต้นไม้สร้างป่าไว้ บันไดที่ลงตัวในพื้นที่ตรงนี้สองร้อยเจ็ดสไรนะสองร้อยเจ็ดิบแปดสไรเดียวสร้างเป็นป่าเลยใกล้มืองหลวงแล้วถ้ า, าว่าอีกแห่งหนึ่งติดต่อเช่าได้สามสิบปีเราจะสร้างป่าเหมือนกันแล้วก็มีอาคารเท่าที่จำเป็นส่วนใหญ่เราจะใช้ใช้เต้นใช้รถใช้อะไรเนี่ยใช้โรง เป็นการคราวๆไปเพราะว่าถ้าลงทุนก่อสร้างแล้วมันเพื้นใหญ่แต่ว่าสมรงานจะเป็นต้องมี้ตงนั้นก็ที่เปเวลิธท่านเเปนเสรีท่านท่านท่านออกแบบไปเนี่ยมันก็มีสามเฟสนะแต่ว่าที่ชัดเจนตอนนี้คือคือคือเฟสแรกราคาค่าก่อสร้างเนี่ยมันพื้นที่สี่ชัน้น คือที่ใช้สอยท่านบอกว่าประมาณพันห้าร้อยกว่าตารางเมตรแต่ตกตารางเมตรตะหมื่นสองพันมันคงต้องช่วยกันแต่ว่าไอ้อุดมการของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นภาษาที่สื่อสารยากมากคือตอนปรัรับเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ย มาพูดออกวิทยุพูดออกโทรทัศน์ช่องห้าบอกมีใครพอบริจาคที่ดินได้บ้างไหมเพื่อจะตั้งศูนย์เราก็มีเวลาอธิบายพอสมควรนะประมาณสักสิบนาทีข่าวที่มันออกไปเนี่ยมันเป็นข่าวก็ไล่เลี่ยกับที่พลตรีจำลองเขาต้องการสถานที่เลี้ยงสุนัขจนจัดเราได้ข่าวสลดนะ มีวัดวัดหนึ่งให้คุณจำลองเช่าสถานที่ของวัดเนี่ยเป็นที่เลี้ยงสุนัขแต่ว่าสถานที่ขอสร้างศูนย์เนี่ยไม่มีใครแสดงเจตจำนงยี่สิบปีนะยี่สิบกว่าปีแล้วไม่มีใครคิดที่จะสนับสนุนจะสร้างมันก็อาจจะเพราะอาม่าไม่ค่อยพูดด้วยเนี่ะเราก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชี้แจงอะไรเพราะว่า พระนักเผยแผ่เน่ยมันเสียเรื่องอยากนั่นคือว่าไปพูดจาเรื่องเงินก็นยาดุกไม่ค่อยเก็งพูดเรื่องเงินพูดได้พอพูดเรื่องเงินมันก็พูดไม่ออกมันก็หมดภูมิซะดื้อๆแต่เรื่องนี้ก็คงต้องเล่าเล่าไปตามลําดับคือยงฟังแล้วก็คิดแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่ต้องการจะมีส่วนร่วมไหม เป็นเสนาสนาฐานแล้วต้องการทํางานที่เป็นเนื้อตัวของศาสนาจริงๆคือศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่ดูแลาศาสนาตามพระพุทธปฏิธานเราไม่สนใจเรื่องเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะทำบุเจ้ า, าจําเพลเราไม่สนใจเรื่องนั้นเราจะทํางานที่เป็นเนื้อตัวแท้ๆของพระพุทธศาสนาพระาศาสนาเป็นพระคำสั่งสอนนะครั มันต้องศึกษาในตัวคําสั่งสอนปฏิบัติในตัวคําสั่งสอนเผยแผ่ในตัวรับผลจากคําสั่งสอนแล้วเผยแผ่ในคําสั่งสอนแล้วก็พิทักรักษาตัวคําสั่งสอนอยู่ประสาทนาไว้มันต้องมีผู้ดําเนินงานะแล้วก็มีทีมงานแล้วก็มีงบประมาณแล้วก็เนื้อ ง, งานเนี่ยมันเยอะแล้วนะเรื้อ ง, งานมันเยอะมากแล้วก็มีที่ทํางานตลอดทั้งยานภาณะไรต่อะไรต่างๆนะเราจะเห็นว่า องค์กรต่างๆเนี่ยต้องมีเพืงเหล่านี้นะเราพูดถึง 4m บ้าง 5m บ้างก็แล้วแต่แหละแต่ก็สรุปว่าพระเองทําอะไรตามลำพังไม่ได้ก็อาตอมาพูดแล้วผลเอกเสรีท่านได้ยินพระบรมมาก็มีปัญญาพอทําอะไรได้แต่เราก็ไม่มีทรัพย์ผลเอกเสรีท่านก็มีทรัพย์ท่านก็ไปเช่ารายการสถานีวิทยุเนี่ย ก็นิมนต์มามาออกรา ก, การก็ช่วยกันธรมาก็มีโอกาสได้ทำงานคนเอกเสรีก็มีโอกาสได้ทำบุญแล้วก็มามีโอกาสได้เผยแผ่ศา ส, สนาด้วยกันเพราะนักท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมาทำบุญร่วมกันในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ส่วนนี้ก็จะเป็นการดีสมหรับท่านทั้งหลายเพราะว่าเป็นสมบัติติดตัวจริง